จิตวิญญาณแต่ละดวงละดวงในสัตว์แต่ละประเภทแต่ละรายละรายเป็นสิ่งที่ลี้ลับและสลับซับซ้อนมากทีเดียวไม่มีใครสามารถจะค้นคิดเห็นตามความจริงของสิ่งเหล่านี้ได้นอกจากวิชาธรรม ที่สัมปยุทธ์ด้วยการปฏิบัติทดสอบประหนึ่งว่าแยกธาตุแยกขันธ์ด้วยภาคปฏิบัติเท่านั้นจึงจะสามารถรู้ได้เป็นลำดับลำดาดังพระพุทธเจ้าท่านทรงรู้ทรงเห็นไม่มีสิ่งใดปิดบงังลี้รับได้ในวันบรรดาจิตวิญญาณแต่ละดวงละดวง ที่พระองค์จะไม่ทรงทราบถ้าไม่มีวิชาธรรมคือถ้าไม่มีศาสดาผู้ทรงรู้ทรงเห็นอย่างรู้แจ้งแทงทะลุมาแล้วสิ่งเหล่านี้จะเป็นปัญหาปิดบังโลกอยู่ตลอดไปไม่มีจิตตวิญญาณดวงใดจะเล็ดลอดผ่านพ้นจากตาข่ายของพกชาติที่มีวิเดศ เครื่องแทรกหรือบังคับใจให้หลุดพ้นไปได้เพราะธรรมชาตินี้เป็นสิ่งที่ละเอียดมากจริงๆจนไม่มีใครจะพิสูจน์พินิษพิจารณาโดยลำพังตนเองได้และไม่มีแก่ใจจะคิดไม่สะดุดใจอะไรเลย มีพระพุธทธเจ้าเท่านั้นเป็นพระองค์แรกอันดับต่อมาก็พระสาวกที่รู้แจ้งแทงทะลุในธรรมทั้งหลายก็เท่ากับรู้แจ้งแทงทะลุกี่เล่่เครื่องปิดบังนี้ไปด้วยกันเราลองถามดูซิว่าในโลกกันนี้นะทั้งทั้งที่ความจริงนั้น ในจิตปัญญาณของแต่ละรายละหลายเป็นนักท่องเที่ยวที่สลับซับซ้อนมากที่สุดไม่มีอะไรเตือนดวงวิญญาณที่สับเปลี่ยนวนเวียนเกิดตายเกิดปิดเคยเห็นไม่ใช่เรือเรื่องกอไผ่กอหนึ่งแห่งนั้นรากของมันสลับซับซ้อนมากขนาดไหน กอภัยที่รากหนาที่สุดก็คือกอไผ่ถ้าเรานำมาเทียบกิตวิญญาณแต่ละดวงนั้นดวงหนึ่งที่สร้างความเกิดแก่เจ็บตายในพบน้อยพบใหญ่สลับซับซ้อนวกไปเยือนมานั้นมากยิ่งกว่ารากไผ่ในกอไัยกอหนึ่ง เป็นไหนๆเพราะเกิดแล้วตายเล่าเกิดแล้วตายเล่ามานันกี่กับกี่กันแล้วยังไม่สามารถที่จะนับได้พระพุทธเจ้าท่านอเนกชาติสังสารังนั้นมีชาติเป็นอเนกถ้าหากไม่มีธรรมะมาเป็นเครื่องสักกัดตัดฟันออกปล่อยให้ จิตวิญญาณดวงนี้ถูกีิเลสปลักไสเกิดแล้วตายเล่าอยู่อย่างนี้จะมากมูลที่สุดหาประมาณไม่ได้เลยที่ว่ารากกอไผ่นั้นแต่ละกอและกอสับสนขนาดไหนนั้นนี่หมายทึ้งหลายกอหลายรากเมื่อเทียบแล้วยังสู้จิตวิญญาณของแต่ละดวง ที่สับสนสร้างความสับสนใส่ตัวเองเพราะอำนาจของยิเดศเพียงอันเดียวนี้เท่านั้นยังมากยิ่งกว่าก็ไผ่ก้อหนึ่ ง, งเป็นใไหนนะพอสร้างมากี่กับกี่กันแล้วแล้วยังจะเป็นต่อพรอีกไม่มีประมาณถ้าไม่มีธรรมเป็นเครื่องตัดฟันให้ขาดจากภพจากชาติเสียแล้วจึ่งจะมีทางยุติได้ ในการสร้างพพสร้างชาตินับแล้วนับเล่ายิ่งกว่ารากผักเป็นไดไหนสี่อะไรอีกปิดไวนะ้เยว่าความมืดดำของสัตว์ก็คือความมืดดำในพพชาติความเป็นมาของตัวเองนั่นแหละไม่มีใครจะสามารถทราบได้ เยตตัวสร้างภพชาตินี้จึงสนุกสร้างสร้างภพชาตโดย่ายเดียวไม่มีคำว่าตัดภพตัดชาติใหแกสัตว์ทั้งหลายถ้าทำไม่มีเลยสัตว์ทั้งหลายก็ไม่มีทางจะเป็นอย่างนี้ไปตลอดไม่มีเงื่อนต้นเงื่อนปลายไม่มีคำว่าหนึ่งสองสาื้นนับ นับไม่ได้งขนาดนั้นพระพุทธเจ้าท่านมาแต่สรูแต่และพระองค์พระองค์ก็คือมาเปิดท่องเปิดทางให้สัตว์ทั้งหลายผู้ที่เคยสร้างความดีไว้ด้วยอัดด้วยธรรมของพระพุทธเจ้าแต่และพระองค์งคนั้นให้ได้สร้างความดีเพิ่มขึ้นและเปิดทางให้ได้หลุดพ้นไปดัง พระอาหารหันต์ท่านนี่เป็นผู้แน่นอนแล้วว่าหลุดพ้นได้โดยสิ้นเชิงนอกจากนั้นกับพระอริยบุคคลตั้งแต่ขั้นต่ำขึ้นมานี่ก็เป็นความแน่นอนในภพชาติไม่กี่ภพกี่ชาติอย่างมากก็เพียงเจ็ดชาติเท่านั้นก็ยุติลงได้ หมดปัญหาในการเกิดแจ่เก็บตายไม่มีอีกแล้วตลอดการไหนไหนนะผู้ที่สร้างความดีไว้ก็เหมือนต้นไม้ที่นะครับการบำรุงจากปุ๋ยทั้งหลายก็จเจริญเติบโตขึ้นมาจิตใจที่มีความดีเป็นเครื่องอุดหนุนหรือสนับสนุนหล่อเลี้ยงก็เป็นจิตใจที่จะ แน่นอนต่อความลูดพ้นของตนนีแ่แหละการมีธรรมก็คือการสร้างความหมายการสร้างธรรมชาติที่ควรยุติให้แก่สัตว์ทั้งหลายได้พบชาตินี้ได้สั้นหรือลดลงมาโดยลำดับจนกระทั่งถึงผ่านพ้นไปได้ ถ้าไม่มีทมเลยก็ไม่มีทางออกเลยในกิจตวิญญาณ น, นี้เราไม่จำเป็นจะต้องไปพรณนาถึงเรื่องตระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทั้งหลายโดยถ่ายเดียวที่มองข้ามหัวใจตนเองซึ่งเป็นอย่างเคยเป็นอย่างนั้นมาแล้ว การที่จะให้ทราบเรื่องเหล่านี้อย่างชัดเจนก็คือการปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าที่ทรงพาดํำนเนินมาแล้วและสั่งสอนไว้แล้วนี้เป็นลำดับไปที่เรียกว่าสาวกโกผู้สะดับกลับฟังแล้วพยายามแกะไปตามร่องรอยแห่งศาสดาที่วางไว้แล้วนั้น ก็จะถึงสั่งแห่งความพ้นทุกข์โดยไม่ต้องสงสัยในการใดการหนึ่งจนได้แล้วย้อนเข้ามาถึงตัวของเราเองในการปฏิบัติจะไม่สงสัยเมื่อถึงขั้นของจิตที่จะไม่สงสัยตนเองแล้วย่อมจะรู้ชัดเจนไปโดยลำดับ แล้วสามารถที่จะตีแผ่ไปถึงจิตวิญญาณทั้งหลายได้โดยไม่ต้องสงสัยเช่นเดียวกันเพราะสภาพสิ่งที่แวดล้อมล้อมหรือปิดบังนั้นเหมือนกันแล้วจะเบาบางลงไปได้ด้วยการปฏิบัติกาจัดสิ่งที่หนานแน่นปิดบังทั้งหลายนี้นออกไปได้โดยลำดับ เมื่อธรรมชาติที่ปิดบังนี้ค่อยจางออกไปจางออกไปจา ก, กจิตใจในขณะเดียวใจเดียวกันจิตใจก็จะเริ่มทราบเรื่องของตัวเองและทราบเรื่องสิง่งเกี่ยวข้องผัวพันไปได้โดยลำดับและสามารถที่จะกำจัดออกได้โดยสิ้นเชิง ไม่มีสิ่งใดเหลืออยู่ภายในใจนี้แล้วในบรรดาเชื้อที่จะพาให้บกเยียนเกิดตายอยู่ยังที่เคยเป็นมานั้นเป็นใจที่บริสุทธิ์อดทนด้วยสันติโกของผู้ปฏิบัติจะพึงรู้เองเห็นเองโดยไม่ต้องไปถามผู้หนึ่งผู้ใดเลยแม้พระศัสดาประทับอยู่ตรงหน้าก็ไม่ทูลถามท่านเพราะความชัดเจนนั้น พระพุทธเจ้าชัดเจนในพระองค์ฉันใดเราผู้ตัดกิเลสให้ขาดะ บ, บันจากจิตใจของเราเองก็ชัดเจนในตัวเองฉันนั้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นบรรดาพระสาวกทั้งหลายที่เด็กบรรลุทำแล้วจึงไม่ปรากฏว่าพระสาวกองค์ใดเกิดความสงสัยแล้วไปทูลถามความบรรลุของตนไม่มีเลยนั่นะเพราะความรู้แจ้งเห็นชัดนี้ ในหัวใจของผู้ปฏิบัตินั้นมีน้ำหนักเท่ากันกับความรู้แจ้งของพระองค์และพระองค์ทรงทราบพระองค์โดยเด่นเด่นชัดมีน้ำหนักเท่ากันเพราะฉะนั้นจิตดวงนี้ที่บริสุทธิ์เต็มที่แล้วนี้จึงสามารถตีแผ่กระจายไปในบรรดาจิตทั้งหลายที่ยังไม่บริสุทธิ์และที่วกเยียนเปลี่ย น, ปนแปลงเกิดตาย สับสนปนเปพบในพบน้อยพบใหญ่ไม่ทราบกี่พบกี่ชาติกี่ภูมินี่สามารถรู้แจ้งแทงทะลุไปโดยตลอดทั่วถึงไม่สงสัยเพราะเราเป็นผู้ที่ผ่านมาแล้วทั้งนั้นสิ่งที่ผ่านมาทั้งหมดนี้ปรากฏอยู่กับใจปรากฏอยู่กับความรู้ของเราผู้ปฏิบัติเห็นได้อย่างชัดเจนเมื่อเราได้เห็นอย่างชัดเจนภายใ น, ในใจของเราแล้วเราจะปฏิเสธ สัตว์ทั้งหลายว่าไม่เกิดไม่ตายไม่เปลี่ยนภพเปลี่ยนภูมิได้อย่างไรความเปลี่ยนภพเปลี่ยนภูมินั้นมันเป็นสิ่งเคลือบแฝงอยู่กับใจไม่ใช่ใจแท้เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้จึงเคลือบแฝงได้เช่นเดียวกับผ้าของเราที่ย้อมด้วยสีต่างๆเช่นนั้นจิตใจจึงมีความเปลี่ยนแปลงไปได้ ในพบน้อยพบใหญ่สูงสู ง, สงต่ำๆลุ่มนุ่มดอนดอนด้วยเหตุนี้บรรดาพบใดภูมิใดจึงไม่ว่างจากสัตว์ทั้งหลายที่จะไปเกิดไปถือปฏิเสธิในพบภูมินั้นๆเพราะอำนาจแห่งกรรมของตนหมุนไปเองตัวของเราสร้างเองแล้วมีสิ่งผลักดันให้พาสร้างกรรมให้พาเกิดคือกิเลสตัวที่ละเอียดแล้มผมที่สุดก็คืออวิชชา นี่เป็นเชื้อของกิจที่จะให้เกิดตายโดยไม่ต้องสงสัยผู้ปฏิบัติเท่านั้นที่จะทราบเชื้อของกิจอันนี้ได้อย่างแจ่มแจ้งชัดเจนไม่สงสัยเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าไม่ทรงสงสัยในพระองค์แล้วประกาศสอนทำให้โลกทั้งหลายได้ทราบตามความจริงที่เปิดเผยขึ้นแล้วในพระไถ่เราเองผู้ปฏิบัติก็เป็นเช่นนั้น ไม่สงสัยในความเป็นของตนไม่สงสัยในความเป็นมาของตนและไม่สงสัยในความที่จะเป็นไปอีกต่อไปได้อย่างไรเพราะขณะนี้ได้ขาดสะบั้นไปหมดแล้วไ ม, ไม่มีเงื่อนต่อที่ใช้เกิดเพิ่มพบเกิดชาติ ด, ดังที่เคยเป็นมาแล้วก็จักกับใจไม่สงสัยการที่แสดงออกด้วยความรู้ความเห็นอย่างจริงจัง ไม่สงสัยจะสะทกสะท้านที่ตรงไหนไม่มีคำว่าสะทกสท้านไม่มีคำว่าลูกๆคำคร่ำเพราะเป็นสิ่งที่ผ่านความรู้นี้มาแล้วด้วยกันทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดก็ตามความรู้นี้เป็นธรรมชาติที่ต้องยอมรับว่ารู้รู้แต่ตลอดเป็นแต่เพียงว่ารู้ในระยะหนึ่งเป็นรู้ที่สับปนไปด้วยสิ่งจำปรมทั้งหลาย รู้ในร ะ, ระยะสุดท้ายเป็นความรู้ที่บริสุทธิ์สามารถ ท, ที่จะแทงทะลุปุโปงไปได้อย่างไม่ถามผู้ใดนีน่ล่ละพระพุทธเจ้าทรงประกาศธรรมสอนโลกพระองค์ทรงถือพระไทยของพระองค์เองเนี่เป็นพื้นเป็นฐานเป็นเรื่องเป็นราว เป็นพบเป็นชาติสับเตียนบกเยียนเกิดแก่เจ็บตายในพน้อยพบใหญ่พระองค์ถือเรื่องของพระองค์นี่ที่สมบูรณ์แล้วกับสิ่งทั้งหลายที่เคยเป็นมานั้นออกสั่งสอนโลกราะจิตใจของโลกมีธรรมชาติอย่างเดียวกันนี้ทั้งนั้นเป็นเครื่องปกปิดกำบังและพายเกิดแก่เจ็บตายทุกมากทุกน้อยเรื่อยมา เมื่อเป็นเช่นนั้นพระองค์จะสงสัยที่ตรงไหนสั่งสอนโลกด้วยความรู้แล้วจึงสั่งสอนเห็นแล้วจึงสอนจะรูปคำไปที่ไหนสิ่งที่รู้นั้นเป็นของจริงเห็นแล้วรู้แล้วประจักษ์สิ่งที่ควรละก็ละแล้วสิ่งที่ควรบาเพ็ญก็บาเพ็ญให้เต็มพระทัยแล้วสงสัยที่ตรงไหนการสอนโลกด้วยความไม่สงสัยสองโลกด้วยโลกริบปูรู้แจ้งทั้งโลกนอกโลกในตลอดตัวถึงจนกระทั่งถึงมดดุดหลุดพ้น จะเอาความสงสัยมาจากไหนไม่สงสัยการไม่สงสัยสอนออกมาด้วยความไม่สงสัยจึงมีน้ำหนักมากทีเดียวด้วยเหตุนี้บรรดาผู้ที่ต้องการความจริงอยู่แล้วเช่นพวกอุคติตัญยูวิปปิกิตัญยูซึ่งพร้อมแล้วที่จะรู้ที่จะเห็นทำทั้งหลายพร้อมแล้วที่จะหลุดพ้นจากทุกขาเมื่อได้ฟังธรรมของจริงที่พระองค์แสดงออกอยากเปิดเผยด้วยความจริงเต็มส่วนจากพระไทยแล้ว ผูท้ที่ต้องการความจริงทั้งหลายอย่างเต็มหัวใจอยู่แล้วย่อมรับได้เต็มหัว อ, อกและสนัดปัดทิ้งสิ่งที่เป็นค่าสิบอย่างเต็มหัวใจเช่นเดียวกันสุดเวี่ยงแล้วก็หลุดพ้นไปได้นี่แหละธรรมของพระเจ้าเป็นอย่างนี้ธรรมนี้แหละเป็นเครื่องที่จะกาจัดปัดเป่าหรือตัดฟันสิ่งที่เคย เป็นเชื้ออยู่ภายในให้สัตว์ทั้งหลายได้รับความทุกข์ทรมานถ้าเกิดแก่เก็บตายในภพนั้นภพนี้สูงสูงต่ำต่ำนุ่นดอนเมื่อทาได้ทะลุออกไปหมดแล้วสิ่งเหล่านี้ก็หมดไม่มีสิ่งใดเหลืออยู่เลยเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านทรงสอนโลกท่านสอนอย่างนี้ผู้ที่ต้องการของจริงอยู่แล้วก็รับอย่างเต็มหัวใจและรู้ ตามลําดับลําดาไม่มีสิ่งใดที่จะปิดบังลี้รับความรู้อันนี้ได้เพราะความรู้ก็รู้จริงๆสิ่งที่มีให้รับความรู้นี้รับทราบกันสัมผัสกรรมกันก็มีจริงๆจริงยงไม่มีอันใดเป็นโมฆะเช่นบาปมีบุญมีนรกมีกิเลสมีพวูดง่ายๆขึ้นกิเลสมีก่อนเมื่อกิเลสมีในหัวใจมันจะไปที่ไหนกิเลสจะพาให้ไปที่ไหนบ้าง เป็นไปได้ทางนั้นอำนาจของกิเลสไม่มีสิ่งใดปิดบังได้ไม่มีสิ่งใดหักห้ามได้นอกจากธรรมเท่านั้นที่กิเลสจะพาไปไม่ได้ไม่มีเอาสร้างความชั่วสร้างลงไปที่ความชั่วจะพาไปไม่ได้นี้ไม่มีใครจะอวดดีอวดเก่งขนาดไหนก็ตามเถอะอย่างไรก็ไม่พ้นที่จะถูกความชั่วนี่ผัก ลงในสิ่งที่ไม่พึงปรารถนามากน้อยหนักเบาตามกำลังแห่งความชั่วที่ตนสร้างมานั้นโดยไม่ต้องสงสัยความดีก็เช่นเดียวกันมีอำนาจไปคนละทิศละทางอำนาจความดีก็เสริไม่ไปดีโดยไถ่เดียวเท่านั้นอำนาจแห่งทางชั่วก็กดลงไปให้สู่ชั่วดยตัยเดียวสิ่งเหล่านี้เป็นของหมีได้เพราะธรรมชาติที่จะให้สร้างบาปสร้างกรรม คือการกระทํากระทําที่เรียกว่ากรรมนี้มันมีอยู่ใน ห, หัวใจท่านจรียกว่ากิเลสเป็นสาเหตุให้สัตว์ทั้งหลายทํากรรมนั่นท่านบอกไว้แล้วอย่างชัดเจนมีกิเลสนี้เท่านั้นที่จะผลักดันให้สัตว์ทั้งหลายได้ทํากรรมเมื่อทํากรรมแล้วย่อมจะต้องได้รับผลของกรรมโดยไม่ต้องสงสัยและวกเวียนกันไปกันมาอยู่อย่างนี้ไม่สิน้นไม่สุดพอกรรมนี้จะหมดกรรมนั้นตัวก่อสร้างขึ้นมาอีกแล้วต่อกันไปเรื่อย นี่เป็นลูกโซ่ตัวเองเป็นผู้สร้างกรรมมามากน้อยตัวเองนั่นแหลวก็ไม่สามารถที่จะนับอ่านกรรมของตนมากน้อยได้เนี่ยเพราะมันมากต่อมากสิ่งเหล่านี้เป็นของมีอยู่เป็นอยู่เหตุใดพระพุทธเจ้าจะทรงทราบไม่ได้เนี่ยทรงทราบต้นเหตุที่จะให้สัตว์ทากรรมนี้แล้วก็ทรงทราบเรื่องกรรมของสัตว์และผลแห่งกรรมที่พาสัตว์ให้ไปเกิด ในที่ต่างๆโดยหาประมาณไม่ได้อย่างชัดเจนในพระไถ่แล้วจึงสอนโลกอย่างองอาจกล้าหาญไม่ว่าพบใดภูมิใดที่ความรู้ของพระเจ้าจะไม่อย่างถึงนั้นไม่มีไม่สุดวิสัยของพระเจ้าอยู่ในวิสัยของศ า, ศาสดาเอกที่จะทรงทราบตามสิ่งที่มีอยู่ทั้งหลายนั้นไม่มีอันใดปิดบังได้นี่แหละพระพุทธเจ้า ทรงนำทำรร ม, มาสอนโลกมานำมาสอนจากความจริงที่ทรงสัมผัสสัมผันสแล้วทั้งดีทั้งชั่วทั้งสถานที่อยู่และทั้งของความดีความชั่วของคนดีคนคนชั่วสัตว์ดีสัตว์ตชั่วมีอยู่จึงนำมาสอนเช่นท่านบอกว่านรกไงสวรรค์นี่เป็นสถานที่อยู่ของคนดีคนชั่วบาปุลนี่เป็นสิ่งที่จะผลักดันเป็นสิ่งที่จะหนุน ให้ไปแล้วย้อนมาหลังมาจากนั้นก็คือกิเลสนี่เป็นธรรมชาติที่ให้สร้สรางกำรรนี่แหละหมุนกันไปอย่างนี้จึงทรงทราบทุกสิ่งทุกอย่างอมนาจระสัทพันอยู่รู้ตลอดทั่วถึงในบรรดาสิ่งที่มีในโลกสมมุติทั้งหลายนี่ทรงทราบแล้วทรงนำสิ่งที่ทราบนั้นมาสั่งสอนโลกทั้งฝ่ายดีฝ่ายชั่ว ศาส์ผู้ที่คอยที่จะรับความจริงทั้งดีทั้งชั่วอยู่แล้วย่อมจะถึงใจทันทีและพอใจละพอใจบำเพ็ญเต็มหัวใจด้วยกันนี่ละที่หลุกพ้นไปได้พอเหตุ น, นี้ทีนี่ผู้ปฏิบตัติเมื่อถึงขั้นที่อย่างทราบโดยลำพังตนเองแล้วก็ปิดไม่อยู่ตามความสามารถนิสสามัญหรือสาวะกับพุทธวิสัย มิสัยของผู้ดีเจ้านั้นยกไว้เสียเพราะภูมิของศาสดาทีนี้ภูมิสภาวะวิสัยภูมิของสาวกก็สุดเบี่ยมของท่านเหมือนกันแต่ละองค์ละองค์มีความสามารถแต่กล้าที่จะรู้ในสิ่งทั้งหลายเต็มสติกําลังความสามารถวาสนาของตอนนี่และสุดท้ายก็ได้ความจริงมาพูดอย่างเต็มปากหรือเต็มหัวใจรู้เต็มหัวใจเช่นเดียวกัน สาวกก็เต็มหัวใจสาวกพระพุทธเจ้าก็เต็มหัวใจเต็มพระทถ่ของพระเจ้าในบรรดาที่ทรงรู้และรู้สิ่งทั้งหลายซึ่งมีอยู่ในแดนโลกธาตุนี้ปิดบังลี้ลับไม่ได้ท่านนำสิ่งที่เป็นอยู่ภายใน จ, จิตใจและสิ่งที่ใจสัมผัสนี่แหละออกมาสั่งสอนโลกท่านจะอุตริมาจากที่ไหนเราอยากทราบชัด เรื่องความจริงของพระพุทเจ้าว่าทรงสั่งสอนโลกไม่มีอันใดอุตริหลอกลวงโลกเช่นเดียวกับกิเลสอะไรเลยอย่างนี้ให้เราดูหัวใจของเราปฏิบัติใจของเราให้มันเปิดเผย อ, ออกสิเ <c oughs> มื่อเปิดเผยแล้วสิ่งที่เราแต่ก่อนเราไม่รู้มันรู้ได้นี่เฮอก็เหมือนอย่างเวลาเราหลับตาอยู่นี่มีอะไรเราไม่เห็นเมื่อหลับตาแล้วไม่ว่าสิ่งวัตถุหยาบละเอียด ขนาดไหนมองไม่เห็นทั้งนั้นใหญ่โตยิ่งกว่าภูเขาก็มองไม่เห็นเพราะหลับตาแต่ลืมตาออกรู้ที่เป็นยังไงวิสัยของตาที่จะรู้จะเห็นสิ่งสิ่งใดแล้วปิดไม่อยู่สามารถที่จะรู้ได้ตลอดทัดถึงตามกําลังแห่งความสามารถของตาของหูของตัว น, นั้นแหละนี่ก็เหมือนกันเช่นนั้นเมื่อถึงภูมิที่จะจิตใจจะรู้แล้วต้องรู้ในขณะที่มีสิ่งปิดแบบปิด ปกปิดกำบงังเช่นเดียวกับเราหลับตานั้นก็หมายถึงกิเลสอวิชชานั่นเลยมันปิดหัวใจไว้สิ่งที่มีอยู่มันก็ไม่ให้เห็นอไม่ให้รู้นสิ่งที่ควรจะทํามันไม่ให้ทําสิ่งที่ควรจะอยากมันไม่ให้อยากแต่สิ่งไม่ควรอยากมันให้อยากทีนี้เรามีอํานาจน้อยกว่ามันเราก็เหมือนกับสัตว์ตัวหนึ่งถูกจูงกั น, ไ ป, น, นนะไปอย่างนั้น่ะจมูกขาดไปอย่างนั้นจะว่างอะไรจูงไปจนจมูกขาดก็ยังไม่รู้ ว่าได้ถูกจูงนี่ท่านจึงเรียกว่าโง่มันโง่อย่างนี้เองเพราะอะไรเพราะพระพุทธเจ้าก็ดีพระอรหันต์ก็ดีเมื่อถึงขั้นรู้แล้วท่านไม่ได้โง่นี่ละเลียดจะละเอียดขนาดไหนท่านสามารถรู้ได้หมดและละได้โดยสิ้นเชิงไม่มีเหรือนะสังหารให้แหลกไปหมดจากใจแต่ก่อนใจนี้เป็นที่เหยียบย่าทาลายที่ขับที่ถ่ายของกิเลสทุกประเพ แต่เวลาได้สร้างทำขึ้นมาโดยลำดับลำดาไม่ท้อถอยแล้วทำมีกําลังมากก็สามารถสังหารสิ่งเหล่านี้ออกจนไม่มีเหลือภายใน จ, ใจิตใจแล้วใจก็สว่างโลกไปหมดสิ่งที่ไม่เคยรู้ก็รู้สิ่งไม่เคยเห็นก็เห็นทินี่เนี่ยเยช่นเดียวกับเราเปิดหูเปิดตาขึ้นมาทําไมไม่ใช่คนตาบอดหูหงวกอยู่ในวิสัยที่จะรู้จะเห็นแท้ๆทาไมจะไม่เห็นโลกเรานําใช้กันมาตลอด ทุกรูปทุกนามด้วยตาด้วยหูที่มีอยู่เห็นอยู่ไม่ใช่คนตาบอดนี่แหละนี่ความรู้ภายใน จ, จิตใจที่จะส่องมองทะลุในสิ่งทั้งหลายซึ่งควรจะบิดไสของตนต้องรู้ต้องเห็นปิดไม่อยู่นี่แหละเป็นเครื่องกระจายถึงองศาสดาพระสาวกไม่ยอมแต่เพียงความเมืสุดอย่างเดียวยังยอมสิ่งทั้งหลายที่เกี่ยวข้องกับจิตที่จะสัมผัสสัมพันธ์รู้เห็นกันได้เช่นนระกบาปบุญกุลโทษสวรรค์ ธมมโลกนิพานปิดได้อย่างไอใจตรงนี้จะไม่รู้ใจตรงนี้จะไม่เห็นปิดได้อย่างไงนี่ทีนี้ไอ้ผู้ที่ไม่รู้ไม่เห็นทํำยังไงมันก็ไม่เห็นมันหลับตาอยู่นี่จะว่าไงบอกว่านี่หน้านี่หน้ามันก็เห็นเหมือนเราบอกคนตาบอดน่ะหมกนี่หน้าสีแสงเป็นอย่างนี้น่ะวัตถุนี่เป็นอย่างนี้มันก็ไม่เห็นออืแล้วบอกคนหูหนวกมันก็ไม่ได้ยินอีกเหมือนกันเนี่ยถึงระยะมันบอดถึงระยะมันหนวก เวลาหลับตาไว้มันก็ไม่เห็นเมื่อถึงขั้นมันเปิดเผยแล้วปิดไม่อยู่ท่านยังเรียกว่าโล ก, กวิทูรู้แจ้งโลกนอกโลกไหนไม่ว่าเพียงศัสดาพระองค์เดียวเท่านั้นจะรู้จะเห็นว่าเป็นโล ก, กวิทูสาวกทั้งหลายท่านมีความสามารถตามภูมิของท่านเช่นเดียวกันที่จะรู้โลกนอกโลกในตลอดทั่วถึงตามอุปนิสัยความสามารถของตนปิดไม่อยู่เมื่อถึงขั้นจะรู้แล้ว เหมือนเหมือนอย่างว่ากิเลสเต็มหัวใจเมื่อถึงขั้นสังหารกิเลสจนเกลี้ยงพายใจิตใจแล้วจะเอาอะไรมามีในใจน่ะพระพุทธเจ้าเป็นใ จ, ใจบริสุทธิ์ของใจของพระพุทธเจ้าบริสุทธิ์บริสุทธิ์อย่างไรมองดูหัวใจเจ้าของบริสุทธิ์อย่างไรก็อันเดียวกันยอมรับคันทันทีทันทีเลยน่ะนี่แหละธรรมของจริงเป็นอย่างนี้แต่จะต้องมาทราบกันที่ภาคปฏิบัติเพียงแต่ได้ยินได้ฟังหรือได้อ่านตำหรับตานาเฉย เราไม่ได้พิสูจน์ด้วยภาคปฏิบัติก็เป็นเพียงความบอกเล่าเป็นเพียงความจำแม้จะเชื่อก็เชื่อด้วยความสำคัญเชื่อด้วยสัญญาเชื่อด้วยจากความบอกเล่าไม่จะเชื่อด้วยความเห็นจริงได้ยินจริงสัมผัสสัมพันธ์จริงด้วยตัวของเราเองถ้าลงได้สัมผัสสัมพันธ์ด้วยตัวของเราแล้วไม่ว่าจะสัมผัสทางตา ทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจต้องรู้หมดเมื่อได้สัมผัสแล้วปฏิเสธไม่ได้ว่าสิ่งนั้นไม่มีสิ่งนั้นมีรูปลักษณะอย่างไรสัมผัสสัมพันธ์กันแล้วมีความสุขความทุกข์ละเอียดหยาบต่างกันอย่างไรใจจะเป็นผู้บอกจากความสัมผัสนั้นๆโดยไม่ต้องสงสัยนี่นี่ละ่ะสาวกทั้งหลายยอมรับพระพุทธเจ้ายอมรับอย่างนี้ด้วยภาคปฏิบัติ ถ้าปฏิบัติแล้วก็ต้องได้เห็นหาปฏิบัติแบบเอาจริงเอาจังไม่ใช่แบบหลับหูหลับตากินแล้วนอนกอนแล้วนินไม่สนใจอะไรมีแต่ชื่อแต่นามว่าปฏิบัติเท่านั้นไม่เป็นท่าเพราะไม่ขึ้นอยู่ ก, กับคําเสกสรรปั้นยอเฉยๆการปฏิบัติต้องขึ้นอยู่กับการปฏิบัติจริงนี่แหละส่วนสําคัญอยู่ที่ตรงนี้ธรรมะของบรีเจ้านั้นสดส ด, สดร้อน ไม่ได้มีครวมะอดีตอนาคตไม่มีคำวมาไกลท่านจึงเรียกว่าอาการิโกเป็นของมีอยู่แล้วน่ขอให้ปรับธรรมชาติที่ควรจะรู้ในสิ่งที่มีอยู่แล้วนั้นให้พอเหมาะพอควรที่จะพึงทราบกันเดินลำดับลาดาเถิดจะทราบไปโดยลำดับลาดาจนกระ ท, ทั่งทราบโดยตลอดทั่วถึงทราบเต็มหัวใจไม่มีอะไรจะสงสัยเลยนี่ท่านจึงไม่เรียกว่า สภาพทั้งหลายเป็นของไกลเป็นของใกล้มีอยู่ไกลมีอยู่ลึกจิตยังไม่ถึงอย่างนี้ไม่มีจิตเป็นธรรมชาติไม่มีการสถานที่เว ล, เวลาเป็นธรรมชาติที่รู้อยู่ตลอดเวลาฉันใดสภาพทั้งหลายซึ่งเป็นของมีอยู่ตลอดเวลาเมื่อเปิดใจออกรับกันแล้วทําไมจะรู้จะเห็นกันไม่ได้ว่าใจจะยังไม่ถึงมีที่ไหนอะไรจะไปล ะ, ะละเอียดแหลมพรมยิ่งกว่าใจ ขอให้ปรับใจให้มันให้ถึงเถิดไม่เคยรู้ก็รู้ไม่เคยเห็นก็เห็นแต่จะพูดออกมาเสียทุกแง่ทุกมุมไม่คำนึงถึงเหตุถึงผลนั่นก็ไม่ใช่เรื่องของผู้รู้ไม่ใช่เรื่องของปราไม่ใช่เรื่องของผู้รู้โดยอัดโดยทำไม่ใช่ผู้ทรงธรรมโดยหลักธรรมชาติแท้มันเป็นความสำคัญถ้าถ้าเป็นอย่างนั้นใช้ไม่ได้ไม่ใช่ความรู้แท้มีความหิวความกระหายไม่มีเหตุมีผลเป็นเครื่องบันดุลบรรดา มีแต่ความหิวความกระหายบันโดนบันดาลมันก็เป็นแบบเลอะลกไปเสียไม่ใช่แบบทำถ้าแบบทำแล้วรู้เท่าไรก็เหมือนไม่รู้เมื่อไม่ถึงการสถานที่เวลาเวลาหรือบุคคลที่ควรจะพูดให้ฟังหนักเบามากน้อยอย่างไหร่อย่างพระพุทธเจ้าท่านสอนโลกสิเบื้องต้นก็แสดงอนุพิกถาหนักเราเห็นไหมในตำลักตาลามีอยู่แล้วผู้ที่จะควรสนับ อนุพิกถาห้าประการก็ต้องทรงสอนนั่นไปก่อนดังที่เคยแสดงแล้วอนุพิกถาห้าไม่จำเป็นจะต้องจรณญใต่อไปอีกนี่คือเพียงพูดแต่เพียงว่าแสดงทำไปโดยลำดับเหมือนกันกับเครื่องบินเหินฟ้าขึ้นจากสนามแล้วเหินขึ้นเหินขึ้ น, น, นสูงลิบลับไปเลยนี่ก็ตั้งแต่ทำพื้นพืนฟอกจิตใจขั้นพื้นพื น, พ น, พ น, พนไปโดยลาดับลาดัจนก็ถึง จนกระทั่งถึงมิมุดหลุดพ้นที่เหมือนกับดรือบินเหินฟ้านั่นแล้วรายใดที่ควรจะแสดงลงในอริยสัจสี่ให้ได้อย่างรวดเร็วถึงอย่างรวดเร็วพระองค์ก็ไม่รอทรงแสดงธรรมนี้เท่านั้นไม่ต้องไปพูดถึงอนุพิกถานนี่เมื่อถึงคนที่อยู่ในภูมินั้นจะต้องพูดอย่างนั้นสอนอย่างนั้นสอนอย่างอื่นไม่ได้นี่นี่ละ่ะใครจะเกินพระพุทธเจ้าเรื่องความชเชื่อเฉลียวฉลา การในการสั่งสอนคนทีนี้เราจะไพูดทุกแง่ทุกภูมิให้คนฟังเสียไม่ทราบประเภทใดคนภูมิใดชั้นใดพูดไปหมดทั้งๆ ท, ท, ท, ที่เขาไม่รู้ว่าบุญบาปเป็นยังไงนรกสวรรค์เป็นยังไงศีลเป็นยังไงสมาธิเป็นยังไงปัญญาอะไรก็จะแสดงตั้งแต่เรื่องนี้ให้เขาฟังอย่างเดียวมันก็ไม่ได้มันไม่เข้าใจเมื่อเกิดประโยชน์อะไรแสดงความโง่เจ้าของให้โลกเขาเห็นซะอีกเพราะไม่รู้จักประมาณ ไม่รู้จักความพอดีเมื่อถึงขั้นที่จะควรแสดงขั้นใดภูมิใดแต่บุคคลประเภทใดนําออกเองเป็นเองเป็นรู้จักความเหมาะสมเองนั่นสมกับผู้รู้ทำเห็นทำโดยแท้เป็นอย่างนั้นแล้วก็เห็นไม่แค่เหลืออย่างพระอาาชัชฉกับพระษาริบุตรพ ร, พระอัจฉริท่านแสดงตัวลวดลายออกอะไรบ้างไม่แสดงเมื่อถึงขั้นที่พระษาลิบุตรจะทราบภูมิของพระอัจฉริแล้ว ไม่ต้องบอกพระสารีบุตรก็เป็นองค์ที่ฉลาดแหลมคมรองพระพุทธเจ้าได้รับเอตตะคะทางปัญญาเฉี่ยวฉลี่ยพอตัวแล้วก็ทราบเรื่องของพระอัศาชิว่าถึงขั้นใดภูมิใดเป็นพระประเภทใดโดยไม่ต้องสงสัยนนะไม่ทราบว่าพระอัศาชิอยู่ในทิศใดแดนใดพระสารีบุตรจะต้องยกมือไหว้อาจารย์ของตัวเองในทิศนั้นภูมินั้นทิศ ทางน้นทางไหนก็ตามอยู่ไม่ตลอดจนกระทั่งวันนี้ผ่านนั่นเป็นยังไงท่านรู้ภูมิกันท่านรู้จากความเหมาะสมข้องกันและกันไม่จําเป็นจะต้องมาเปิดว่าอาตมานี่คือพระอัสสชิได้สําเร็จพระราชทานแล้วพูดไปอะไรแสดงผลเหตุที่จะให้เกิดผลให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ฟังเท่านั้นพระสารีบุตรก็รับได้แล้วสําเร็จพระโสดา ข, ขึ้นมานั่นนั่นเป็นจุดที่ ผู้ฟังจะรับประโยชน์ท่านแสดงออกในจุดนั้นท่านไม่จําเป็นจะต้องบอกว่าอัตมาเป็นพร ะ, ารพรา ะ, ะ ส, สารีบพระสาสิบุตรในเวลานั้นหรือนากับบุคคลผู้ใดก็ตามที่ยังไม่สมควรจะแสดงให้ฟังจะการแสดงก็เป็นความผิดของผู้นั้นซึ่งไม่รู้จักประมาณในการแสดงธรรมนั่นแหละ่ะธรรมะติงมีประมาณไม่ใช่จะพูดทุกบททุกบาททุกแง่ทุกมุมเราดูอย่างพระพุทธเจ้า แสดงกับสาวกสิพระสาวกองใดไปรู้เห็นสิ่งใดมาพวกเปรตพวกผีอยู่ในสถานที่ใดเดนใดแล้วเข้ามากราบภูมิพระพุทธเจ้าเล่าถวายพระองค์พระองค์ก็ทรงรับสั่งว่าเออเรื่องสิ่งเหล่านี้เหล่านี้เราเห็นแล้วตั้งแต่สมัย น, นู้นสมัย น, นู้นตี น, นู้นพอสอ น, นู้นทหพูดธวพาสอเพราะเป็นอดีตเรื่องมาแล้วแต่เราจะถากโไม่พูดไม่เห็นเกิดประโยชน์จะพูดไปทำใหม่เมื่อมีผู้พูดผู้พู ด, พ ด, พด เห็นด้วยแล้วตาขาคตก็พูดนี่ตาขาคตได้ทราบมาก่อนแล้วนั่นฟังเสร็จนั่นมันเหมาะสมเมื่อไรที่ไหนกับบุคคลผู้ใดพระองค์ก็ทรงสั่งสอนให้ทราบพูดทรงเล่าให้ฟังภาษาของเราเป็นอย่างนั้นนี่ก็เหมือนการทําจะเต็มหัวใจก็ให้เต็มอยู่สิทําแท้ไม่หิวไม่หยไม่ดิ้นโดนกวน ก, ว, นกวายไม่เหมือนกิเลสถ้ากิเลสมีมากมีน้อยต้องดิ้นโดนกระวนกวายอยากแสดงตัวอยากแสดงออกเสมอ นั่นเรื่องของกิเลสแล้วก็ชอบอวดตัวทั้งๆที่หยาบที่สุดแล้วก็เร็วที่สุดก็ชอบว่าดีที่สุดชอบพูดว่าดีที่สุดว่าว่าฉลาดแหลมคมที่สุดคำว่าดีๆไม่มีอะไรเกินกิเลสทั้งๆที่กิเลสนั้นชั่วที่สุดแต่ชอบยกตนเป็นชนะแต่เรื่องของทำไมเหตุผลกลไกควรจะเป็นอย่างไรก็แสดงไปตามเหตุตามผลเหมือนกับมีที่คมกล้าที่สุดแล้วเก็บไว้ในฝั ใส่ฝักเอาไว้เวลาต้องการจะใช้ถอดมาจากฝักแล้วใช้เสร็จแล้วเก็บข้อในฝักเหมือนไม่เคยได้ฟันอะไรเลยทำกับจิตก็เหมือนกันเมื่อถึงการที่จะแสดงให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยสำหรับผู้ฟังจะได้เต็มภูมิของตัวเองแล้วก็แสดงออกเสียไม่มีอะไรเหลือเลยเอาให้เต็มภูมิเมื่อยังไม่ถึงขั้นนั้นควรจะแสดงขั้นใดออกก็ต้องแสดงขั้นนั้นนี่จึงชื่อว่าผู้ปฏิบัติรู้เรื่อง แล้วรู้จักปฏิบัติต่อเรื่องราวทั้งหลายตลอดผู้มาเกี่ยวข้องเป็นคนประเภทใดาการสถานที่วเวลาเวลาหรือบุคคลเป็นสิ่งที่จําเป็นจะต้องใช้ในการสถานที่วเวลาเวลาหรือบุคคลนั้นๆนา น, นารธรรมเพราะฉะนั้นธรรมนี้จึงเป็นของสําคัญที่ผู้ปฏิบัติจะพึงปฏิบัติแล้วให้รู้เองเห็นเองนั่นลหลัมากคือเป็นแต่เพียงท่านแนะแนวทางให้ดังที่อธิบายมาเหล่านี้ก็คือแนวทางแห่งธรรมเอา มันจะปิดไปไหนลองดูสิออบาปพระพุทธเจ้าว่ามีอ้าวพิจาณาลงไปในทางหยิบิจับภาวนาของเรามันจะไม่เห็นยังไงบาปจะสัมผัสที่ไหนถ้าไม่สัมผัสที่ใจบุญจะสัมผัสที่ไหนไม่สัมผัสที่ใจเออรูปจะสมัติสัมผัสที่ไหนถ้าไม่ใช่สัมผัสที่ตาเอานารกสวรรค์จะสัมผัสที่ไหนไมส่สัมผัสที่ใจที่มียานอย่างทราบนี่จะไปสัมผัสที่ตรงไหนพระพุทธเจ้าท่านสัมผัสที่ตรงไหน สาวกก็ต้องสัมผัสที่ตรงนั้นเพราะมีเครื่องรับเหมือนกันนี่เป็นแต่เพียงว่าลึกตื้นอย่างละเอียดต่างกันไปเท่านั้นเองนะแต่ส่วนที่เห็นปิดไม่อยู่นั่นอา น, นิพานละเอียดขนาดไหนทหําไมสาวกรู้ได้นั่นแเราดูสิสัมผัสอะไรสัมผัสใจนั่นแหละสัมผัสนิพานใจนั่นแหละสัมผัสความสิ้นกิเลสใจนั่นแหละเป็นครั้งกิเลสเวลาเปิดอันนี้ออกหมดทอถอนอันนี้นออกหมดแล้วจิตใจกลายเป็นใจที่บนอยู่ทาไมจะไม่ทราบว่าวจนบริสุทธิ แล้วทำไมจะไม่ทราบเรื่องของพณนิพานถามใครทำไมนี่ให้พักกันจำเอาถ้าอยากจะทราบเรื่องความเป็นมาของตนดังที่กล่าวแล้วตะ ก, กินในเบื้องต้นว่าจิตมี ญ, ญาณแต่ละดวงนะดวงนั้นความสลับซับซ้อนแห่งความเกิดแจเกเจ็บตายหมุนเยนเปลี่ยนแปลง ในพบน้อยพบใหญ่มากีก่กับนับไม่ถ้วนนั้นจะมีความหนาแน่นสับสนยิ่งกว่ากอไผ่ทั้งกอเพียงวิญญาณดวงเดียวนี้เท่านั้นก็มากยิ่งกว่ากอไผ่รากกอไผ่ทั้งกอทั้งทั้งกอนั้นแล้วหนักแล้วเราจะทำยังไงหรือเรายังจะยินดีสั่งสมรากไผ่คือความเกิดเจ็บเดตายของเรานี่ให้มันมากมูลขึ้นไปกว่านี้ออแล้วใครจะเป็นคนแบกคนถาม ใครจะเป็นคนนับผิดชอบแบกขามในกองทุกข์ทั้งหลายในภพน้อยภพกอย่างที่เกิดขึ้นจากความเกิดความตายเป็นสําคัญถ้าเราไม่รีบสลัดเสียตั้งแต่บัดนี้ซึ่งเป็นการอันควรอัตภาพก็อํานวยจิตใจก็อํานวยเทศก็อํานวยอยู่แล้วเราขัดข้องอะไรเวลานี้พิจารณาสังข์สิมันขัดข้องอะไรถ้าไม่ขัดข้องเพราะอํานาจของกิเลสเหยียบย่ําทำลายหรือกีดขวาง ไม่ให้ก้าวเดินนี้เท่านั้นไม่มีอะไรมาขัดข้องดินเป็นดินน้ำเป็นน้ำลมเป็นลมไฟเป็นไฟอากาศเป็นอากาศทุกสิ่งสันในโลกอันนี้เป็นธรรมชาติของตัวเองจริงอยู่ตามหลักธรรมชาติไม่มีสิ่งใดมาขีดมาขวางมากั้นกลางหัวห้ามเหมือนกิเลสที่ฝังอยู่ในหัวใจนี้เป็นผู้ขีดผู้ขวางดูโดยหลักธรรมชาติขังตัวตลอดเวลานี้เท่านั้นไม่มีอะไรเป็นเครื่องขงีดขวางจิตใจนี่ละ มันไม่พร้อมเพราะกิเลสไม่พาให้พร้อมแล้วอย่าเข้าใจว่ากิเลสจะพาให้พร้อมในการปฏิบัติธรรมถ้าไม่ฝืนไม่ต่อยกันแล้วจะไม่เห็นดิษเห็นเด็กระหว่างกิเลสกับเราเลยว่าใครเป็นผู้มีอํานาจเหนือกันระหว่างกิเลสกับธรรมะที่เราจะนํามาต่อกอนกันนั้นมีเท่านี้ท่านตั้งหลายเห็นความเกิดแก่เก็บตายเป็นของประเสริฐเลิ่อนเลยที่ตรงไหนเอาเอามาพิจารณาดูสิทุกคนทุกรูปทุกนามนี่ เก่งกว่ารากไม้ไผ่นั่นแล้วแหละไ ม, ไม่ไม่น่าจะสงสัยนี่เปิดให้ฟังอย่างชัดเจนอืมถึงจะตัวเท่าหนูก็ตามแอะผมไม่สงสัยจริงๆพูดออกมาอย่างเปิดเผยเต็มหัวใจมันเป็นยังไงหัวใจดวงนี้มันเป็นอย่างนั้นแหละพอเทียบได้กับรากไผ่นั่นแหะตอนนี้พอเพียงเทียบได้เฉยนะแต่ยังไม่มีเทียงเท่านี้ยังมากกว่านี้อีกหากพอเทียบกันเป็นข้อเปรียบเทียบได้ที่เราจะนํามาพิสูจน์ตัวของเรา แล้วหาอุบายวิธีที่จะตัดรากไผ่นี้ออกอะไม่ให้มันสืบต่อไปอีกให้มากยิ่งกว่าที่เป็นอยู่นี้แล้วที่นี้เอาค่าฟาดให้มันขาดสะบั้นลงไปรากไผ่เก่าที่มันมีอยู่ขนาดไหนมันจะผุจะพังไปหมดขอให้กิเลสอวิชชาตันหานี่พังทลาย ล, ลงไปจากหัวใจเถอะสร้างเก่าสร้างใหม่มีเท่าไรมันจะกลายเป็นอดีตเรื่องผ่านไปแล้วทั้งนั้นไม่เข้ามา ยื้อแย่งแข่งดีกับเราอีกต่อไปเหมือนดังกิเลสที่มันยื้อแย่งแข่งดีกับเราอยู่เวลานี้เลยให้เอาตรงนี้นะจิตเป็นของสาคัญกิเลสเป็นของสาคัญการที่จะฆากิเลสเพื่อไม่มีเยื่อใยต่อไปแบกกองทุกต่อไปมีอยู่กับหัวใจของเรามีอยู่กับผู้มีความเพียรในการประพฤติปฏิบัติธรรมนี้เท่านั้นเราจะเห็นอะไรเป็นของวิเศษรากภัยวิเศษไหมพิจารณาพีความเกิดเจริญตายของเรามันวิเศษที่ตรงไหนถ้าวิเศษก็พวกเรามันพวกรากภายัย อาจารย์ของรากไผ่มาพอแล้วหนายิ่งกว่ารากไผ่ด้วยมันควรจะวิเศษไปไปสนานแล้วแล้วนี้มันเป็นยังไงอะไรพาไม่วิเศษอยู่เรียนอะไรพาให้เป็นรากไผ่ก็กิเลสตั้มเสอกิเลสนั่นตัวสําคัญแล้วนี้ฟันกันลงไปอ๋อมันเห็นดําเห็นแดงเลยเราระวังตั้งแต่เรื่องของกิเลสมันเร็วที่สุดนะในขณะที่กิเลสเร็วในขณะที่กิเลสเรืเเร่องอานาจได้อะจะออกก่อนเพื่อนออกก่อนเพื่อนแล้วทําลายเรานั้นแหละ ทำลายทำในใจของเราที่ควรจะเกิดความเพียรก็ล้มเหลวสติสตะตังก็ล้มเหลว อ, อะไรๆขึ้นจีว่าเป็นธรรมเนี่ล้มเหลวล้มเหลวมีตะกีดเดี๋ยเหยียบเอาเหยียบเอายอมเมื่อถึงอยู่ในการเวลาของมันที่มีอํานาจเตลืองอำนาจมันเป็นอย่างนั้นจริงๆในการปฏิบัตินี่แหละมันรู้ตัวของมันแล้วรู้ตัวของเราด้วยและเวลามันมันอ่อนเปียกมันสู้กิดเลสไม่ได้มันเป็นยังไงมันรู้อยู่ในหัวใจอันนี้เป็นสัจธรรม ไม่ใช่เป็นจะเป็นความจําพอใช้หลงหลืมได้ผู้ปฏิบัติจะต้องเจอในสิ่งเหล่านี้เพราะพวกเรานี i ส่วนมากเป็นทุกขาปฏิบัติธาทันทาปิญญาทั้งปฏิบัติลําบากทั้งรู้ได้ช้าเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วทําไมจะไม่สนุกต่อยกันกับกิเลสกิเลสต่อยเรา้ทําไมจะไม่สนุกทุกข์ล่ะแบกทุกข์จนไปไม่ไหวไปไม่รอดแล้วตายทีหนึ่งตายทีหนึ่ ง, งแล้วขึ้นมาแบกอีกตายขึ้นมาแบอาาแบอีกตายอยู่งั้น ทำไมจะไม่แจ้งทำไมจะไม่รู้ก็หัวใจดวงนี้ที่ถูกอวิชาอใส่ริ่มสลักเข้าไปแทงเข้าไปตรงนั้นให้พาเกิดจเจ็บเจ็บตายอยู่ตลอดเวลาเรายังไม่เข็ดไม่หลับเราจะไปเข็ดหลับเมื่อไหร่ธรรมบุญเจ้าเป็นธรรมที่สอนให้เข็ดหลับทั้งนั้นเพระพระองค์ทรงรู้ทรงเห็นทุกสิ่งทุกอย่างแล้วทั้งโทษทั้งคุณของกิเลสของข้อแรกของธรรมเหตุใดเราจะมาสงสยัยในสิ่ง่านี้อยู่แล้วละวันตายมันไม่แน่นะ ลบบทลมหายใจเท่านั้นก็ตายได้ไม่ว่าฉากชั้นบันหน้าใดนั่นสมมติกันไปตามขั้นตามปูสิ่งสําคัญที่เป็นเครื่องประกันอยู่เวลานี้คือลมหายใจนี่เท่านั้นอ้าวถ้าลมหายใจหมดเมื่อไหร่แล้วนั่งอยู่มันก็ตายนอนอยู่ก็ตายเนื้วเวลานี้เรายังมีลมหายใจอยู่เอาสู้ที่สู้ที้เหล็กถ้าเห็นว่าคี้เดล็ดเป็นภัยตามหลักธรรมที่สอนไว้และเห็นว่าทําเป็นคุณนํามาต่อสู้ที้เดล็ดให้มันให้มันบนรนลัยลงไปสนินี่แหละการปฏิบัติธรรม ยามาพ่อแท้เลีวไหลแลือ่อนเอให้สอนหมู่สอนเพื่อนนี้สอนด้วยความจริง อ, อกจริงใจงจริงสอนด้วยความเมตตาจริงสารและสอนด้วยความผ่านมาของเจ้าของล้มลุกคุ่คานมายังไงก็เคยสอนหมู่เพื่อนแล้วเป็นอย่างไรบางทีจนแทบว่าจะเป็นจะตายจริงๆตาก็ไม่มีกุศลาแหละนี่ไม่รู้กี่ครั้งกี่ผนเรื่องสู้กับขีเล็เพราะฉะนั้นจริงกล้าพูดได้ว่าไม่มีสิ่งใดที่จะเหนียวแน่นแก่นที่ ที่ฉลาดที่สุดยิ่งกว่ากิเลสเพราะสติปัญญาเราเคยช้าในโลกใน่งสารก็ไม่เท่าไร่นะักแต่เวลานํามาใช้ต่อสู้กิเลสเพื่อให้มันบรรลัยประจักจิตใจนี่แหม่มีเท่าไรทึกทุ่มกันหมดตร่มหมดชีวิตจิตใจทุ่มลงไปหมดมเป็นก็เป็นตายก็ตายทุกแสนทุกมหาทุกก็เคยทุกมาแล้วในการต่อสู้เลนี่ก็ได้พูดให้ฟังทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้มาหลอกลวงหมู่เพื่อนนี่มาสอนอย่างเต็มอกเต็มใจที่จะของเป็นมายังไง อย่างจะว่าโ อ, อว่าอวดก็เอ้าใครจะว่าอะไรก็ว่าไปแต่เราไม่ได้โอได้อวดใครเราพูดด้วยความเมตตาสงสารพูดด้วยความจงรักทัก ด, ดีต่อหมู่ต่อเพื่อนที่เห็นมาอยู่ด้วยมากมายสลายก็จะพูดออกมาอันหนึ่งก็ขัดอันหนึ่งจะพูดออกมาอันหนึ่งก็ขัดอันหนึ่งเดอยู่นี้ pl. แหละแล้วต ก, ตกลงก็เต็มวัดจต็มวัดนี้จะว่าอย่งงางไงแล้วยังจะมาอวดหมูอมอ่เพื่อนอยู่เหรอการสอนอัดสอนรรมนี่ยังจะมาอวดกันเล่น <c lic ant> เล่นเล่นอยู่เหรอการรับหมู่เพื่อนไม่ด้วยความสงสารเห็นอกเหนใจ เทียบหัวใจเราหัวใจท่านทั้งหลายใส่กันดังที่เราเคยพูดให้ฟังว่าไปเสาะแสวงหาครูบาอาจารย์นี่มาแม่แทบล้มแทบตายพอไปถึงหลวงปู่มั่นเท่านั้นน่ะไม่อยากได้ยินเลยคําที่ว่านี่ที่นี่เต็มแล้วรับไม่ได้แล้วกลัวว่าหัวอกมันจะแตกถึงนาดนั้นเรายังไม่ลืมนะคำพูดของท่านคํานั้นเหมือนเป็นสดสดร้อนๆวันนี่พอดีนะเนี่ยเมื่อวานมีท่านเนตรไปจากนี่แล้ววันนี้ท่านหาก็มาไม่ใช่นั้นก็ไม่ได้อยู่ กุฏิไม่ว่างนั่นทั้งที่ท่านพูดโอยมันเสียวเลยจะตายเข้าถึงหัวตับนั่นแหะทั้งๆ้งที่จะได้อยู่อยู่นะทั้งที่นี่แหละนํามาพิพจารณาถึงพวกเพื่อนหมู่เพื่อนเพื่อนฝูงทั้งหลายนะมากน้อยก็ทนเอาทนเอ า, น, เอานอกจากมันเหลือกําลังแล้วก็หมู่เพื่อนก็ควรจะพิจารณาในความเหมาะสมความพอดีนี่อันเนี่ยนี่แล้วแล้ ว, ลวยังจะมาสอนหมู่เพื่อนด้วยความหลอกลวงอยู่เหรอนี่เวลามันทุกข์ก็ทุกอย่างนั้นนะ ผมพูดได้เต็มปากว่าในชีวิตชของผมไม่เคยมีอะไรหนักยิ่ยงกว่าการต่อสู้กีบเด็กเอาขนาดนั่นเท่านั้บางทีจะเดินไปเนี่ยไปคล้องน้ําคลองเครือนิดหนึง่งล้มโครมลงไปแล้วเพราะไม่มีกําลังจากก้าวขาแต่ใจไม่ถอยนั่นมันไม่รู้กี่ครั้งกี่หนจะเป็นจะตายได้เคยพูดให้ฟังจนกระทั่งเขาแตกบ้านแตกเมืองออกไปดูเราเขาว่าเราตายแล้วอะไม่กินข้าวขี่วันขี่วันอ่อนไปอ่อนไปนานเขานานเขา้ามันก็ ผิดสังเกตที่คนเราก็ต้องเป็นไปได้แหละเขาก็ต้องไปดูเพื่ั่งสินี่เอามาอวดหมู่เพื่อนเหนอเนี่ยเไม่ได้อวดเรื่องพูดถึงเรื่องของพิเดียเวลาหนักหนาเวลาต่อสู้พิเดียตถึงขนาดนั้นเทียวนะเจ้าของยังไม่รู้จะตายคนอื่นเขายังมาดูลูว่าเราจะตายเนี่ยแฮรก็เอามาดูเห็นไหมเนี่ยถึงบางครั้งเป็นอย่างนั้นจริงๆผมไม่ได้อุตลิบไมมาหลอกบงหมู่เพื่อนเนี่ยนี่ขั้นขั้นต่อกอกันถึงขนาดนั้นแล้วก็นีน้ละ เป็นพื้นเป็นฐานที่จะให้เรามีทุนเป็นลําดับลําดาและเป็นกําไรขึ้นในวันนั้นวันนี้หนุนกันขึ้นหนุนกันขึ้นสมาธิไม่มีก็ค่อยมีขึ้นมาอ่าเมื่อมีขึ้นมาแล้วกิจจนกระทั่งถึงกลายเป็นสมาธิด้วยความขยันหมั่นเพียรด้วยความบูสาพยายามเสริมกันขึ้นเสิม น, นขึ้นหลังจากนั้นก็ฟาดกันทางปัญญาอ้าปัญญาก็ไม่มีกูบาจาร์ก็ออกมาได้มันติดติดสมาธิเพราะสมาธินี่มีความเป็นความสุข ที่พอให้ติดได้ถึงติดได้คนเราความสุขในสมาธิก็พออยู่พอกินแล้วจิตใจไม่ฟุ้งซ่านลำคาญพอจิตยังเข้าสู่ความรู้อันเดียวแน่อยู่นั้นไม่อยากออกยุ่งกับอะไรเลยตาไม่อยากไม่อยากมองดูโอ้ไม่อยากฟังมันเป็นการยุ่งกวนทํารบกวนจิตใจของเราให้กระเพื่อมเปล่ า, าเมื่อจิตเด่นแน่วอยู่ในสมาธินั้นอยู่สักกี่ชั่วโมงก็อยู่ได้นี่ละมันติดได้อย่างนี้เองแนวก่อสุดท้ายก่นึนืว่าความรู้ที่เด่นเด่น อยู่นี้เองจะเป็นนิพพานนั่นนี้จะเป็นนิพพานจอกันอยู่นั้นจะบัดจะเป็นนิพพานนิพพานสุดท้ายมันก็เป็นสมาธิอยู่นั้นแหะจนกระทั่งวันตายก็จะต้องเป็นสมาธิและติดสมาธิจนกระทั่งวันตายถ้าไม่มีครูบาอาจารย์มาฉุดมาลากออกผมเองก็คือหลวงปู่มั่นมาฉุดมาลากเทียงกันซะจนตาดำตาแดงจนกระทั่งพระทั้งวัดแตกคือขึ้นมาแต้มอยู่ใต้ถุนนี่เพราะการโต้กับหลวงปู่มั่นไม่ใช่โต้โดยทิฏฐิมานะอวดรู้อวดฉลาดนะโต้โดยคาำเราก็เข้าใจว่าจริงอันหนึ่งของเรา ท่านก็กินเงินหนึ่งของท่านสุดท้ายก็หัวเราแตกเพราะท่านรู้เนี่ยเราพูดทั้งๆที่กิเลสเต็มหัวใจแต่เข้าใจว่าสมาธินีม่มันจะเป็นนิพพานท่านสุดท้ายก็ท่านมาไล่ออกเห็นไหมสมาธิมันมีความสุขมากขนาดไหนฮะหะข้อละแล้วเนื้อติดฟันมีความสุขขนาดไหนฮะว่าสิสมาธิก็เหมือนกับเนื้อติดฟันนั่นแหละมันสุขขนาดไหนเนื้อติดฟันท่านรู้ไหมท่านรู้ไหม นี่เราไม่ลืมนะจากนั้นมาท่านรู้ไหมว่าสมาธิทั้งแท่งนั้นแหะคือตัวสมุทัยทั้งแท่งท่านรู้ไหมนะตรงนี้มันก็ต่อยกับท่านอีกดูสิถ้าว่าสมาธิเป็นตัวสมุทยแล้วสมาสมาธิจะให้เดินที่ไหนนั่นเอาสีใส่กันมันก็ไม่ใช่สมาธิตายนอนตายอย่างนี้ที่สมาธิของพระพุทธเจ้าสมาธิต้องรู้สมาธิปัญญาต้องรู้ปัญญาอันนี้มันเอาสมาธิเป็นนิพพานเลยมันบ้านสมาธินี่นั่นเห็นไหมท่านใส่เข้าไปสมาธินอนตายหรือเดินสมาสมาธิน่ะเฮ้ยสมาธินอนตายนี่เหรอ เป็นสมาธินะอ้ะอาวพูดออกมาสิแล้วก็ยอมแล้วสิพอออกจากท่านไปแล้วก็โอ้หนี่เราไปเก่งมาจากอาชีพไหนนี่เรามามอบการถวายตัวต่อท่านเพื่อศึกษาอัดศึกษาธรรมหาความจริงทําไมวันนี้จะมาโต้กันสันกับท่านยิ่งกว่ามวยแชมเปียนเขาเนี่มันเป็นยังไงเหล่านี้มันไม่เกินครูเกินอาจารย์ไปได้เหรือแล้วท่านพูดนั่นท่านพูดด้วยความหลงหรือใครเป็นคนหลงน่ะเอาวแล้วที่นี่ย้อนเข้ามาหาตัวเองถ้าไม่ ไม่ตั้งใจประพฤติปฏิบัติตามที่ท่านสอนนี่มาหาท่านทําไมถ้าว่าเราวิเศษวิสโสแล้วทําไมเราถึงต้องมาหาครูบาอาจารย์ที่ตนมไม่ไม่พีเศษละ่ะแต่เราก็ไม่เคยดูถูกท่านแหมั น, นี่หมายกันว่าตีเจ้าของย้อนขึ้นมาให้เข็นเจ้าของสุดท้ายก็ออกก้าวทางด้านปัญญาเมื่อก้าวทางด้านปัญญามันก็ผึ่งเลยที่ไม่ถึงยังไงก็สธิสมาธิมันพอตัวแล้วถ้าเป็นประเภทอาหารก็คือว่าผักก็มีเนื้อก็มีปลาก็มี อะไระไรเครื่องทําครัวมีหมดแล้วจะทําให้เป็นแกงเป็นอะไรก็ได้อืเป็นหุงเป็นต้มอะไรได้หมดเพราะเครื่องที่จะทําครัวมันครบแล้วเป็นแต่เพียงว่าเอามาแช่ไว้เฉยต่อไปสิ่งเหล่านี้มันก็จะเน่าเฟะไป ม, มันไม่เป็นแกงให้อันนี้ก็เหมือนกันสมาธิมันก็เหมือนกับเครื่องครัวที่เราเรามาพร้อมแล้วนั่นแต่มันไม่ปรุงให้เป็นสติปัญญาให้เป็นมรรคผลนิพผานขึ้นไปมันก็ไม่เพี้ยนละสิทีนี้พอ ออกทางด้านปัญญาสันนั้นนั่นก็ผึงเลยทีเดียวนี่เพราะมันพร้อมอยู่แล้วนี่สมาธิมันพร้อมอยู่แล้วที่จะทําให้แกงประเภทไหนเออไม่มามาเครื่องทาครัวพร้อมหมดแล้วจะทําให้เป็นแกงประเภทใดอาหารประเภทใดมันพร้อมแล้วพร้อมแล้วนี่นี่ก็เหมือนกันเอาจะพิจารณาทางปัญญาจะเอาพิจารณาอย่างไงมันพร้อมแล้วนี่เพราะสมาธิหนุนตัวอยู่เต็มที่แล้วทำไมจะมากินสมาธิว่าเป็นมะพร้าวนิพานเออทำไมจะมากินผักกินหญ้าเข้าใจว่าแกงล่ะมันทั้งทที่ยังไม่ได้ปรุงเป็นแกงนะ ฟัดกันเจ้าของกันเนี่ยเพราะออกจากนี้แนละ้วปัญญาก็าก้าวหล่ะที่นี่นะก้าแล้วก็ยังกลับไปสู้กับท่านอีกนะบางเวลามันออกทางด้านปัญญาเอาอีกแล้วกลางคืนไม่ในนอนฮบางคืนสองคืนสามคืนมันไม่ยอมนอนกลางวันยังไม่ยอมนอนอีกอ้าวคูนะ่นีจ่จะตายแล้วน่ะว่าเจ้าของไอ้คู่นี้มันจะตายแล้วนี่มันยังไงมีเวลามันมันนอนอยู่ในสมาธิมันก็ดูอย่างนั้นแต่เวลามันออกก็ออกอย่างนี้ทําไงนี่ แล้วก็ขึ้นไปหาท่านอีกนี่พ่อแม่ครูอาจารย์ว่าให้ออกทางด้านปัญญาเวลานี้มันออกว่านะถึงขนาดที่ว่าไม่ได้นอนได้สองสามเถิเลยนะกลางวันก็นอนนั่นละมันหลงโอ้มันอมันนั่นละมันหลงสังขารฟังสี่สันพูดนะโอ้ถ้าไม่คิดมันไม่มันไม่พีน้ำมันก็ไม่เกิดปัญญาเลยปัดติดเมื่อถึงขั้นหมุนแล้วเป็นอย่างนั้นนี่หลาถึงว่าสมาธิเป็นเครื่องหนุนปัญญาเป็นอย่างนี้เองเห็นจะชัด เราไม่สงสยัยติดสมาธิเราก็ไม่สงสยัยเราเคยติดแล้วถึงขนาดที่พ่อแม่กูจันไล่ออกเลยที่รักก็ไปหาท่านเมื่อไหรท่ท่านถามว่าสบายดีหรือสงบดีหรือสงบดีอยู่แล้วก็ว่างเนยท่านก็ไม่ว่าอะไรพอนานเข้านานเข้าก็อย่างว่างเนะีเพราะว่าเป็นยังไงสรรมหาสบายดี ห, หรือใจสบายดีอยู่สงบดีอยู่ ท่านจะตายอยู่นั่นน อ, นอนตายนั่นเหนือนั่นตั้งเสียที่นี้ขึ้นเลยนะพลิกเปลี่ยนไปหมดสีหน้าสีตาอะไระแสดงท่าทางออกหมดแล้วนะนี่จะเอาเต็มที่หรือจะเข็ดเต็มที่อ่าท่านจะนอนตายนั่นเหนือตัวนี้ท่านรู้ไหมสมาธิถูกในสมาธิเหมือนกับเนื้อติดฟันท่านรู้ไหมน่ะนี่แหละที่นี่ก็ไปอย่างที่ว่าวนะพอเอากันอย่างจังๆแล้วก็ออกไปกับพิจารณาทางด้านปัญญาเมื่อออกมันก็ออกจริงๆนะ่ะเพราะมันพร้อมแล้วนี่ที่จะเกิดปัญญา หมุนติวต้วติ้วทั้งวันทั้งคืนเดินจยก็ไม่รู้จักหยุดเดินตั้งแต่เชา้าตั้งแต่ฉันอาหารแล้วจนกระทั่งถึงปัดตาฟังสิไม่ได้รู้ว่าเหนื่อยว่าอะไรเพราะมันหมุนติว้วติ้วอยู่านี้งานอย่างนี้เดินกันไปบางทีเดินโยกลมเนี่ยนุ่น ون, เซซัดเข้าในป่าโฮมคามในป่านุ่นพราะจิตมันไม่ออกนี่ตามันก็มืดมัวไปหมดแล้วที่มิดขาเก้าวไปก้าไปก็เข้าป่านุ่น ون. แล้วออกมาอีกเอาอีกอยู่งั้นไม่มีคําว่าน้ําท่าอะไรๆไม่สนใจทางนั้นมาถึงขั้นมันตลุมบอลกัน นี่ปัญญาเป็นอย่างนั้นพอไปพูดถึงท่านท่านก็บอกว่ า, านั่นแหะมันหลงสังขารท่านท่านว่านะั้นว่าที่เราพูดตะกี้นี่ว่าพ่อแมค่ครูอาจารให้ออกพิจารณาทางด้านปัญญาที่นี้พิจารณาน้นเนี่ยไม่ได้นอนได้สองสาคืนนะเนีกลางวันมันยังไม่นอนอีกนั่นแหละมันหลงสังขาร น, นะถ้าไม่พิจารณามันก็ไม่รู้นี่นาแล้วว่านั่นแหะบ้าสังขารบ้าหลงสังขารนั้นก็เอาใหญ่เลยพอทานีหมอบแล้วนะงูเห่าค่อยเหมออาะลงนี่มันก็จะถูกอย่างที่ท่านาว่างมันนั่นแหละมันนึกในใจนะทีนี้ก็น่่งงงตออไปกกก็็็ถึยาานนนัันม้มม มันก็หมุนติ่วที่ของมันเหมือนกันแต่มันเวลามันจะตายแล้วมันก็เข้าสมาธิได้ด้วยบังคับนะถ้าธรรมดาแล้วมันจะไม่ยอมเข้าเพราะเห็นว่าทีนี้มันไม่พอดีนะเห็นว่าสมาธินีนนอนตายเฉยๆว่าไม่เห็นได้ผลได้ผลอะไรนอนตายเฉยๆสมาธิปัญญาต่างหากได้ผลหว่างนั้นทีนี้ก็จะเอาปัญญาก็แบบไม่หยุดอีกหละว่าการทํางานได้งานการพักมาในงานก็ไม่พักจะทํางานก็จะตายเหมือนกันนี่เวลามันเต็มที่เต็นฐานแล้ว มันจะไปไม่รอดเพราะมันอ่อนไปหมดพระคุณกายการทํางานด้วยปัญญาการคิดด้วยปัญญาเป็นอัตโนมัติก็ตามแต่ก็เป็นงานของควรที่จะได้พักแล้วก็บังคับเนะเห็นเห็นว่ามั น, ม, นมันหนักเกินไปแล้วก็บังคับถึงขนาดที่ได้บริกรรมนะพุโทโธพุโทโธที่ยิบไม่ยอมให้ออกคือออกจะทํางานไม่ใช่ออกฟุ้งซ่านของความไปอย่างนั้นนะออกจะออกไปหางานที่ทํำยังไม่เสร็จบังคับไว้บังคับไว้จกนกระทั่งถึงสุดท้ายกติีก็นลงแน่วเงีเยบ แล้วปรากฏว่ากําลังวังชาเนี่ยโอ้โหมันเพิ่มขึ้นมาไอา้พูดไม่ถูกนะนี่พราะใจมีกําลังในการพักสมาธิแล้วเพราะถอนถึงเท่านั้นแหละโดดผึ่งใส่เลย น, นที่นี้มันก็เหมือนกันกับว่าเราได้พักผ่อนนอนหลับแล้วพูดถึงการงานนะหรือได้รับทานอาหารมีกําลังวังชาแล้วทํางานทําการงานชิ้นนั้นเนี่ยแต่มันเสร็จได้รวดเรวดเลยนี่ก็เหมือนกันไม้ถอนนั้นแนี่ปัญญา อันนี้เนี่ยฟันลงไปมันขาดสะบั้นลงไปเลยเพราะปัญญาได้พักตัวน่ะ่นนะแต่มันทําำไมจําเป็นจริงจมันไม่อยากจะพักนะแล้วฟื้นเอาเฉยแล้วระ ล, ะลึกถึงคําของท่านพูดว่ามันหลงสังขารนั่นอยู่เสมอแต่อํานาจแห่งการเทินในการพิจารณานี้มันมีกําลังมากกว่ามันจึงไม่ยอมพักง่ายๆนะในให้หมู่เพื่อนได้รู้เอาไว้เรื่องของนี้ไม่ผิดที่สอนนี่แน่ใจเวลามันเลยเถิดมันเลยเช่อนอย่างท่านบอกอุทจฉะ อุทจารคุุทธจารอุทจารหมายคำว่างไงในสังโยชน์บางบนคือความเพลินในการพิจารณาเพลินในงานทัน้งตนไม่ไม่มีการทักผ่อนในจิตให้พอเหมาะคดีเลยนี่ก็เป็นสังโยชน์เครื่องข้องอันหนึง่งทําให้เนินช้าอันหนึ่งความหมายว่ายอย่างนั้นแต่เวลามันผ่านแล้วมันก็ดูเองนี่ฉันได้บอกไว้ก่อนได้เลยทีนี้กัเมื่อเวลาถึงขั้นนั้นแล้วมันก็หมุนติู่ที่เลยเอาละที่นี่นักที่เรศมีอยู่ที่ไหนดังที่เคยพูดแล้ว ในอียิปต์ในในอาการของกิเลสที่พลิกแพลงเปลี่ยนแปลงเคลื่อนไหวอะไรๆมีแต่เรื่องการค่ากิเลสตามค่ากิเลสทั้งนั้นถึงขั้นที่มันเตียงไกลแล้วเป็นอย่างนั้นกิเลสนี้หมอบอืมโทงมาไม่ได้โทรมาถ้าเที่ยวมาแล้วเหมือนหัวขาดทันทีทันทีเลยที่ทนี้เวลากิเลสไม่โผมันก็ต้องค้นหาทีนั่นล่ะค้นหาก็เป็นงานอันหนึ่งพอเจอกิเลสแล้วได้งานแล้วเอาอีกอันหนึ่งนั่นสุดท้ายก็หมุนติ้วติ้วทั้งวันทั้งคืนจนถึงขนาดที่ว่าเอี้นี่ทำยังไง จิตทั้งเรานี่นะเวลาเราคิดไปไว้เบื้องตน้นนะจิตมีความสงบเยือกเย็นสงบมากเพียงไรยาละเอียดมากเพียงไรจิตจะมีความสะดวกสบายมากขึ้นมากขึ้นงานการทั้งหลายจะน้อยลงน้อยลงนี่มันคิดเอาเฉยเฉยมันไม่ได้ตรงกับความจริงที่เป็นอยู่เดี๋ยวนี้นะความจริงที่เป็นอยู่เดี๋ยวนี้มันยุ่งมากที่สุดก็คืองานขั้นนี้นะักแล้วเมื่อไรมันจะได้สงบตัวลงสักทีให้ได้พักผ่อนสบายหนะ่อยพอคิดเท่านั้นหยุดลงเท่านั้นมันก็ผางเข้ากันอีกแล้ว ตะลุมบอลกันอีกแล้วอีกแล้วอยู่อย่างนั้นจนกระทั่งเอาให้มันพังหมดไม่มีอะไรเหลือเลยเอาจิตจะดับเอาดับไปอะไรจะดับดับไม่มีอะไรที่จะเอาเหลือไว้เลยเอ่ะมันสมมุติว่าเราเป็นอาหารเน่านะให้มันเป็นอาหารหัวต่อไม่มีความรู้อันเห็นฟาดกันลงหมดไม่มีอะไรเหลือไว้เลยไม่สงวนอะไรไว้มันจะเป็นการสงวนจิเลสแม้เช่นนั้นมันก็ไปลืมตัวอยู่จนได้นั่นแหละความสงวน ความรักความ อ, อ, อ่อนอิงความอัศจรรย์ความแปลกประหลาดมันโผล่หน้าขึ้นมาไม่รู้ตัวเลยติดจนได้เห็นไหมอวิชชาเก่งไหมทั้ง้งทีง่ถึงขนาดนี้นะปัญญามันยังเป็นหมอบรากกับ อ, อวิชชาเป็นองค์รักรักษาอวิชชาไว้อีกนั่นแต่มันก็ไม่นานเพราะสติปัญญาขั้นนี้ไม่ใช่เป็นขั้นนอนใจ<ม>อะไรๆก็ดิพี่แปรนิดๆจะทราบทันทีทเส้ามองนิดทราบทันทีน คือธรรมนาคำว่าผ่องใสจะต้องมีเศร้าหมองเป็นคู่กันมันมันชาทันทีทีเพราะมันละเอียดทันกันทันกันสุดท้ายมันก็ไม่นอนใจกับธรมมธรมชาตินี้เอ๊ะทาไมธรรมชาตินี้ทำไมจึงเป็นอย่างนี้เป็นอย่าง น, นี้นั่นแบบนี้ต่อพอเห็นว่าอันนี้เป็นอย่างนี้แล้วมันไม่ไว้ใจดั่งไม่นอนใจไม่ไว้ใจเห็นว่าอันนี้จะเป็นข้าสึกอะไรหนึ่งจนแน่จนจนได้เลยจิตสติมันก็ปากเข้าไปปัญญาปักเข้าไปของนั้นพังทลายเอาที่นี่ไล่ข้ามเดินโยกงมทั้งวันมันก็ไม่ยอมเดินจะว่าไง มันขี้เกียจนะถึงขั้นมันขี้เกียจมันขี้เกียจได้เดินยังคงอยู่กับป่ากับโลกมันไม่ได้เล่นกับอะไรละมันเล่นกับนกกับสัตว์ไปอย่างไงล่ที่นี่แทนที่จะเดินยังคงเหมือนหัวปักหัวปลาเหมือนแต่ก่อนมันไม่เอาเดินยังคงเป็นแบบเล่นไปเฉยจะจะฆ่าอะไรอพูดอย่างที่มันเห็นเนี่ยเอาฆ่าอะไรสู้กับอะไรเนี่ยมันถึงขั้นทีถ้าทําถ้าเอามันหมดแล้วหามาสิกินเลสตัวไหน ถ้าว่ามันหมดจริงๆแล้วมันยังหาเจออยู่เรียกว่าหมดเด้ออ๋อไม่ว่าความโกรธไม่ว่าความโลภไม่ว่าความหลงไม่ว่าไม่ว่าอาการใดของกิเลสถ้าลงได้หมดแล้วค้อนเท่าไหร่มันก็ไม่มีจึงเรียกว่ามันหมดแล้สิอ๋อ แ, แ, แ, แ, แ, แล้วทีนี้มันมันจะสู้กับอะไรเมื่อมันหมดแล้วทําไมจะไม่รู้อาจาธิโกสง่งแสดงไว้แล้วทุกบททุกบาททุกเนื้ทุกมุมทุกไดของผู้ปฏิบัติทำไมจะไม่รู้สงสัยวิ้าที่ตรงไหนความจริงเหมือนกันสงสัยที่ตรงไหนนั่นมันก็รู้เองนะนะเรื่องเหล่านี้ ความเปี่ยนไอ้ที่ว่าเมื่อไรจะได้หยุดได้อย่างที่ไม่ต้องบอกมันชี้เกียรยิ่งกว่าอะไรไม่อยากทำเดินโ ย, ยกงไปก็เล่นกับสัตว์เยเห็นจิ้งก่าเลยก่าเห็นอจิ้งจกก็เล่นจิ้งจกเห็นกระแตะก็เล่นกระแ ต, ะแตะเห็นนกก็ก เ, นนกเล่นกับน ก, นกนประสีแต่มันมีความหมายหนึ่งนะคําว่าเล่นนี่คือละจิตวิญ ญ, ญาณในนั้นนั่นโอ้อสเสวยเป็นก่อนเธอจิตตรงนี้มันเป็นอย่างนี้เองนั่นความหมายว่าอย่างนั้นนะเอจะเป็นสัตว์เป็นนกเป็นอะไรก็ตามอยาละเอียดของร่างของสัตว์นั้นน่ะ มันมีจิตวิญญาณอยู่นั่นอยู่นั่ น, อ ย, น, นอยู่นั่นทั้งหมดนั่นมันจับโอานั่นนะที่มาไปเล่นเล่นด้วยความสงสารท่างหาไม่ใช่เล่นด้วยความเพลิดเพลินนั่นนั่นอะไรเรื่องของมันขอให้ท่านทั้งหลายจำํำมานะปฏิบัติมันหลอกไหมผู้สอนอยู่เวลานี้หลอกท่านทั้งหลายไหมแทําไมจิตมาเราหลอกเลยแหล ะ, ละมาการประพุทธปฏิบัติทําไมมาเราหลอกเลยให้กิดเลสเหยียบหัวอยู่กิดเลสมันวิเศษนักหรือกิดเลสมันทําลายสัตว์โลกมาเท่ทาไหร่แล้วเป็นรากไผ่เป็นยังไงอะไรเป็นคนทําเป็นรากไผ่ทั้งเอานี่พิจารณา เหนื่อยแล้วถ้าเป็นตกะกอดแล้วโลกกะเบื้องนั้นวันนี้ก็ยังยังพอฟัดพอเหยียงไปอยู่ตัวใจถ้าเป็นตะกอดวะไม่ได้นะต้องในระวังบางทีอาแล้วกันเพราวะว่าอย่างนั้นหยุดทันที